ข อ, อนอบน้อมต่อพระาราชนตรัยขอกับาหลวงพุธทธียนหลวงพ่อคำเขียนขอกลาจากพระอาจารย์วัฒ น, นาชายัยพระเทลานุเทละเพื่อนสาธมิกแล้วก็จเจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านเนาะนั่งตามสบายรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวรู้สึกกันหรือใครจะนั่งฟังรู้สึกตัวกับการฟังก็ได้ เวลาได้จับไม้มักจะบอกอย่างนี้นะว่าคนที่นั่งฟังมันก็ไม่ใชใ่เราไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับฟังอย่างเดียวมันมีบทสนทนาที่มันโต้ตอบกันอยู่ระหว่างคนที่พูดกับคนที่ฟังแม้กะนั่งคนที่นั่งฟังเฉยๆเองมันก็จะมีใจของท่านที่คอยโต้ตอบกับเสียงที่ได้ยินกับปฏิกิริยากับสัมผัส ภายนอกกับสัมผัสภายในที่มันขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันเเหมือนเป็นบทสนทนาของคนสองคนของเราข้างนอกของข้างในกับข้างนอกที่มันสนทนากันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคนเดียวที่พูดอยู่ในขณะนี้แต่ว่าในใจของพวกเราทุกคนก็พูดอยู่ตลอดเวลาเราก็คอยทำความรู้สึกตัวกัน จะสังเกตก็ได้ว่าเออเวลาที่มีเสียงเข้ามากระทบหูเรามีความคิดมีบทสนทนาโต้อตอบกับมันยังไงบ้างหรือบางทีใจก็อาจะหลงหลุดลอยไปอยู่ข้างนอกใครที่ยกมือสร้างจังหวะอยู่ก็เอาการยกมือสร้างจังหวะเป็นความรู้สึกตัวก็ได้เป็นฐานของสติสติปฐาน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเมื่อไรที่ใจของเรามันขยับเทือนออกจากฐานนั้นแล้ว mm hmm. ก็จะได้เป็นจุดสังเกตการเจริญสติไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องฝึกให้ใจมันจมแช่นิ่งอยู่กับฐานของสติอย่างเดียวแต่มันคือหมายถึงว่าการที่ใจเราคอยรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งของใจ เออเด ใ, ใจมันก็อยู่ตรงนี้เนาะในใจมันก็อยู่กับที่ฐานของสติที่เรากำลังพยายาม mm hmm. เคลื่อนไหวมือหรือถ้าใครฝึกอานาปะนสติก็จะอยู่ที่ฐานของลมหายใจหรือถ้าใครฝึกบริกรรมก็อยู่ที่ฐานของบริกรรมทุกทุกวิธีการมันเป็นได้ทั้งการฝึกให้ใจจมแช่แน่นิ่งอยู่ในฐานนั้นอยู่ใน วิธีการนั้นหรือมันก็เป็นได้ทั้งการฝึกเพื่อฝึกมิสัยให้จิตมารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพื่อเป็นไปในการฝึกเจริญวิปัสสนาอย่างที่พวกเราทุกคนก็คงหวังกันการฝึกแบบิฐานของสติอย่างนี้คือการเคลื่อนไหวมือ14บสีจังหวะเป็นฐานของสติการฝึกอาณาปนะสติเป็นฐานของสติ หรือใครจะบริกา ร, รพุโทโธเป็นผานของสติก็ได้แต่แตเวลาเราฝึกให้ใจมันมาอยู่รับรู้คาถาเราจะฝึกเป็นจังหวะแบบที่หลวงพ่อเทียนได้ไดสอนไว้หลวงพว่อเขียนได้สอนไว้หลวงพว่อเขียนจะบอกว่าเราจะรู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดรู้เป็นครั้งแล้วก็ปล่อยรู้เป็นครั้งแล้วก็ปล่อยเหมือนมีเจตนาแล้วเราก็วางเจตนาเหมือนมีเจตนาเป็นครั้งครั้พอ รู้เป็นจุดไม่ได้รู้เป็นเส้นยาวตรงตรงไม่ได้รู้เป็นเส้นตรงยาวทึบแต่รู้เป็นเส้นแบบเส้นไข่ปารู้เป็นจุดทีละครั้งทีละครั้งสัมผัสรู้ทีหนึ่งก็พอแล้วเราก็เริ่มใหม่สัมผัสรู้ทีหนึ่งก็พ อ, ใ น, พอในระหว่างของช่องว่างหรือตรงนั้นนี่แหละในระหว่างของช่องว่างของของเจตนาที่เราทาอยู่เนี่ย มันก็เป็นโอกาสให้ใจได้ขยับเคลื่อนไหวไปตามนิสัยของมันมันจะไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจเมื่อมันเคลื่อนไหวแล้วเราก็รับรู้แล้วเราก็กลับมาทำใหม่อันนี้นเป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่เทียนท่านท่านได้หาไว้ท่านได้สังเกตมาท่านมาบอกต่อพวกเราวิธีการนี้มันก็เลยจะจมแช่อยู่กับอารมณ์อันใดอันเดียวได้ยากอยู่ ถ้าเราทําให้มันเป็นจังหวะทําให้มันมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุดพอเรามีสติกับการปฏิบัติอยู่ที่อยู่ทย่ทีฐานแบบนี้ละเราก็จะเห็นใจที่มันขยับเคลื่อนไหวไปข้างนอกตรงนี้เป็นจุดสังเกตมันจะไปไหนก็ได้เราขอแค่รับรู้เออเดี๋ยมันก็ไปทางนู้นไปทางนี้โดยที่ไม่ได้ให้ค่ามันไม่ได้บอกบอกว่าเออมัน ไปทางนู้นผิดเนาะหรือไปทางนี้ผิดเนาะไม่ใช่อย่างนั้นเราก็แค่กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกทำต่อไปเรื่อยๆทาต่อไปแต่วิธีการทาอย่างนี้พอทำไปเรื่อยๆฝึกไปมากๆมันจะรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้อะไรก็ททำแค่นี้เองเหรอเรส่วนตัวเคยถามหลวงพ่อคำเขียนนะทำแค่นี้เองเหรอครับหลวงพ่อแค่เคลื่อนไหวมือ14จังหวะ จำได้ตอนนั้นเป็นโยมอยู่ที่ลานอินโค้งหลวงพ่อก็นั่งเล่นๆอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปเราก็ปฏิบัติไปเรียนถามท่านนี้ก็บอกเออแค่นี้เองรู้รู้สึกตัวรู้ไปก่อนเดินหน้าไปก่อนไปเรื่อยๆถึงเวลาเดินไปข้างหน้าแล้วมันจะถอยกลับมาดูข้างหลังเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อบอกงั้นเวลาที่เรารู้สึกตัวไปทีละครั้งทีละครั้ง พอเห็นใจที응่มันเคลื time, kind of ่อนไหวแล้วก็กลับมารู้สึกต่อเรากลับมารู้สึกต่อแรกๆเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะว่ามันเป็นการเออกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกพอเราทำไปสักพักจนใจมันเริ่มคลายถ้าเราให้เวลากับมันมากๆเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็เริ่มเห็นได้ว่าเออมันไม่ใช่แค่การกลับมารู้สึกนะมันก็จะรู้สึกตั้งแต่ตอนที่จุดที่มันหลงนั่นแหละรู้สึกไปตั้งแต่ตรงน้นก็รู้สึก ไม่ได้รู้สึกแค่มือเคลื่อนไหวอย่างเดียวมันหลงไปมันก็รู้สึกรู้ว่าหลงนะรู้ว่าหลงแล้วมันก็จะรู้อีกรู้ว่าเออกำลังจะกลับมาแล้วนะเราต้องกลับมาเป็นยัง่ามันก็จะรู้อีกแล้วเราก็กลับมารู้สึกต่ออีกทีทาไปทำไปมันจะเริ่มรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกเออหลงก็รู้นะรู้ก็รู้ ตามไปมากๆมันจะเริ่มเห็นสภาพของตัวรู้ตัวหลงที่มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆทีละครั้งทีละครั้งแต่ปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้รู้เป็นภาษานะแต่มันจะรู้สึกว่าเออเราสังเกตตัวเองได้แตะสัมผัสรู้แตะสัมผัสรู้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าเออเวลาหลงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มไม่ค่อยได้ให้ค่าเท่าไหร่กับตัวหลงมากนะัก ไม่ให้ค่าในที่นี่หมายถึงว่าเออไม่ได้มาให้ค้าวเออหลงเนี่ยเป็นความผิดเนาะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันต้องรู้ให้ทันถ้ารู้ทันันก็รู้สึกว่าเออมันก็ปลอดภัยเหมือนกันเวลาที่หลงไปเรากลับมารู้ได้หลงไปเรากลับมารู้ได้กระบวนการตัวความรู้สึกตัวหรือการสังเกตของเรามันจะมันจะค่อนข้างละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆกับอารมณ์การปฏิบัติต่างๆ ตรงนี้เป็นการฝึกนิสัยใหม่การปฏิการปฏิบัติธรรมจริงก็คือการฝึกนิสัยนะการฝึกนิสัยให้จิตได้ได้มาคุ้นเคยได้มาคุ้นชินกับอารมณ์ตรงนี้ได้มาคุ้นเคยกับการที่มันสังเกตเห็นตัวเองสังเกตเห็นเจตนาตัวเองเวลาที่มันมีเจตนาในการเคลื่อนการไหวสังเกตตัวเองที่เวลามันมันหลงไปแล้วมันไปสังเกตเห็นได้ใน ใจที่มันวกแวกไปทางทางหูจมูกลิ้นกายใจต่างต่างเมื่อเราเริ่มคุ้นเคยกับการสังเกตล้ไปเรื่อยๆเมื่อนั้นนิสัยแห่งการเจริญวิปัสสนาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองนะวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราจะคิดได้หรือไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับให้มันเกิดได้แต่มันเกิดจากการฝึกการฝึกของเราที่มันฝึกสร้างนิสัยนิสัยที่ถูกนะ ฝึกสร้างนิสัยที่ถูกเพื่อที่เป็นองค์ประกอบให้จิตมันมีนิสัยเกิดขึ้นเองและเมื่อจิตมันมีนิสัยที่จะสังเกตตัวเองขึ้นบ่อยๆบ่อยๆสังเกตกายตัวเองสังเกตใจตัวเองขึ้นบ่อยๆมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติแล้วเป็นบางช่วงบางตอนตามกาลังที่เราฝึกมันก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึง ร่างกายความรู้สึกตัวต่างๆทั้งที่กายไม่ว่าจะเป็นแต่ละส่วนอาจจะเราฝึกจากที่รู้สึกที่มืออย่างเดียวม <c oughs> ก็อาจะรู้สึกได้ทั้งตาทั้งหูเวลากระพริบตาต่างๆเวลาลมมาสัมผัสมันก็เริ่มจะรู้สึกได้บ้างตามกําลังของมันนะตามกําลังของนิสยัยว่ามันแรงขนาดไหนเงยมีนิสัยเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเกิดขึ้นตรงนั้นแหละ มันจะเป็นจุดที่วิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นคือมันเป็นจุดที่เกิดขึ้นเองมันหลงจะเรียกว่าหลงก็ได้นะคือมันไปรู้เองใจมันมีสติไปรู้เองกับสิ่งที่เกิดขึ้นของกายของใจโดยที่ไม่ได้เราไม่ได้เจตนาให้มันไปรู้แต่ว่ามันมีนิสัยที่จะไปรู้เองเคยอ่านบทวิจัยของฝรังนะฝรังเขามีบทวิจัยอย่างเราจะมีความเราอาจจะมีความเข้าใจว่าเออ คนเวลามันเครียดส่วนใหญ่แล้วเขาชอบกินอาหารพวกจังฟูด้ดหมายถึงว่าอาหารจานด่วนอาหารที่กินละอ้วนกินอาหารอ้วนๆมันมันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมีความเข้าใจอย่างเงี้ย น, นะแต่ฝรั่งเวลาเขาวิจัยเขาบอกว่าเปล่านะคนที่เครียดมันไม่ได้กินอย่างนั้นทุกคนนะคนที่ปกติเป็นคนที่ชอบกินอาหารแบบนั้นเนี่ยอาหารมันๆอาหารจานด่วนเงนี้ยเวลาเครียดเขาก็จะทําตามนิสัยของเขานะ เขาก็จะกินอาหารแบบนั้นแต่ที่คนปกติมีความชอบมีนิสัยที่จะกินอาหารสุขภาพดีอยู่แล้วเป็นคนที่มีปกติกินนิสัยมีนิสัยที่จะกินอาหารที่เอออาหารธรรมชาติไม่มันไม่อ้วนไม่หวานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเวลาเครียดเขาก็จะไปกินแบบนั้นเองในสิ่งที่เขาเคยชอบโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวหรื อ, อยากจเจตนาเรียกว่าเวลาที่เราขาดสติเวลาที่เราหลงไปเนี่ย ใจมันก็จะไปตามนิสัยที่มันเคยฝึกมานั่นแหละมันมีนิสัยไงมันก็จะหลงไปอย่างนั้นมีนิสัยทางอย่างที่เปรียบเทียบเนาะการมีนิสัยทางกินอาหารทางจานด่วนเงี้ยมันก็จะไปทำอย่างนั้นเองนะใครที่มีนิสัยในการทานอาหารดีๆอยู่แล้วมันก็จะไปทำอย่างนั้นเองเมื่อตัวเองเครียดเหมือนกัน ตรงนี้ก็เหมือนการเปรียบเทียบประจิตของเราคือเมื่อเราสร้างนิสัยให้มันกลับมาสังเกตกายกับใจได้ถูกต้องโดยที่ไม่จมแช่แล้วเมื่อเวลาไหนที่มันหลุดมันหลงนะมันลืมสติแต่ว่านิสัยตัวนี้มันมีอํานาจแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะปารู้สึกตัวได้เองในขณะนั้นตรงเนี้เป็นหลักเป็นทางเดินแห่งวิปัสสนาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะรู้สึกได้เองโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัว ก็จะมีจุดที่รู้สึกได้ง่ายที่สุดคือตอนตื่นนอนเวลาเราตื่นนอนแล้วมันจะรู้สึกใจมันจะสบายๆคลายๆไม่ได้มีเจตนาอะไรช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เออสังเกตอารมณ์นิสัยที่เราฝึกมันหดมันจะมาออกมากขึ้นที่สุดละมันจะมาสังเกตกายสังเกตใจของตัวเองให้ได้มากที่สุดให้เราได้เห็นให้เราสังเกตได้ง่ายเนี่ยเป็นการฝึกที่ เราทําไปทําไปมันเหมือนเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้เราแล้วพอเราสร้างนิสัยใหม่ไปเรื่อยๆนิสัยใหม่เนี่ยมันก็จะกลับมาช่วยเราอีกทีเรียกว่ามันกก็จะกลับมาช่วยในเวลาที่เราหลงนั่นแหละจะเรียกว่าหลงก็ได้นะแต่มันเป็นการหลงที่หลงไปรู้หลงไปมีสติเองโดยอัตโนมัติเชื่อว่าที่เราฝึกนิสัยกันตรงนี้ยก็คือให้มันเกิดนิสัยเองนิสัยแห่งการสังเกตกายใจตัวเองอย่างนี้ มันเด่นแล้วก็มันมีคุณภาพมากแนละ้วมันก็มีพลังมากกว่านิสัยอื่นๆจ น, นกระทั่งเราตายนั่นแหละโดยส่วนตัวก็ยังไม่เคยอะเนาะว่าจะตายแล้วเป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่อนะว่าเวลาที่เราฝึกมามากๆเนี่ยนิสัยที่มันเด่นที่สุดก็จะออกมาที่เขาเรียกว่ากรรมนะกรรมมันจะพามาไปฝึกตอนนั้นก็คงไม่ทันแล้วละ่ะตอนนั้นก็คงทาใจสบายๆคิดอยู่นะ เออถ้าตายคงปล่อยดูตัวเองก็คงไม่ได้มีเจตนาในการสร้างสติอะไรทั้งนั้นนะปล่อยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยจะไปไหนก็ไปไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันเราก็คิดว่าเออถ้าถ้าเวลาที่มันใกล้จะตายสิ้สุดท้ายของเราเนี่ยถ้ามันมีนิสัยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาเอง จากการที่เราฝึกมากๆนิสัยนี่มันเป็นเด่นมีความเด่นมากกว่านิสัยอื่นๆในการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเมื่อ น, นั้นมันก็จะนําเราไปสู่สติเหมือนกันเรียกว่าสติทํางานเองจากการที่ฝึกฝนมาแล้วแต่นิสัยแห่งการกลับรู้สึกตัวเองหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะแม้กระทั่งคนฝึกเหมือนกันอย่าอย่าหวังว่ามันจะเกิดตลอดเวลาฝึกไปแล้วมันจะเกิด เกิดขึ้นตลอดเวลาเปล่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ้างเป็นบางขณะเป็นช่วงๆนานๆเกิดทีนานๆเกิดทีที่มันจะกลับมารู้สึกตัวกลับมาสังเกตกายสังเกตใจโดยปาศจะเจตนานานๆจะเกิดทีที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกเพราะฉะนั้นที่เหลือที่เราทําได้ก็คือแค่เออ มีเจตนาที่จะกลับมาหาฐานของจิตทีละครั้งทีละครั้งไปเรื่อยๆแล้วก็คอยสังเกตดูกายดูใจตัวเองคนที่จะปฏิบัติทําได้ดีที่สุดก็คือคนที่พยายามเอาทุกโจทย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตมาเป็นตัวปฏิบัติธรรมนะมาเป็นโจทย์เอาทุกการเกี่ยวข้องมาเป็นจุดที่ทําให้เราสังเกตกายใจมากที่สุดนะ สังเกตปฏิกิริยาของกายของใจแล้วมันเออมันเกิดขึ้นอะไรขนาดไหนเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็รู้ใหชัดแล้วเรากลับมารู้สึกตัวทุกโจทย์ที่เกิดขึ้นทุกการกระทบสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราเอามาฝึกได้ทั้งหมดนะถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดในการในสิ่งที่เกิดขึ้นถึงคนจะมาว่าเราถึงควรจะมา ต่อว่ามาด่าทอเรามาพูดเสียดสีเรามาทำร้ายเราหรือแม้กระทั่งมาทุบตีเราเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ทำให้เราสังเกตกายใจตัวเองที่มันขยับเคลื่อนไหวหรือตอบโต้เขาอย่างที่บอกว่าออขณะที่เราทุกคนนั่งฟังอยู่ตรงนี้มันก็มีการตอบโต้ของเราทุกคนนะเกิดขึ้นตอบโต้กับเสียงนี้อยู่อาจจะฟังยากหน่อยนะแต่มันมีบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ระหว่างระหว่าง เราผู้พูดกับผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทุกอย่างในชีวิตมันเป็นโจทย์มาเป็นโจทย์แล้วคอยสังเกตดูกายสังเกตดูใจตัวเองเราก็จะเริ่มรู้สึกได้เราก็จะใช้ทุกอย่างเป็นโจทย์ได้เป็นโจทย์ในการเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นโจทย์ในการทำให้เรากลับมาหาฐานของสติฐานของสติ เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ทำไม่ดีกับเราหรือใครที่พูดดีกับเราอะไรต่างๆยั ง, งไงเราก็สามารถเป็นโจทย์ได้ในการกลับมาหาฐานของสติตรงนี้พอเราเริ่มพัฒนาพัฒนามากขึ้นมีโจทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเราเริ่มกลับหาสติได้กลับมาหาฐานของสติได้เราก็จะเริ่มคุ้นชินกับการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ไม่จมอยู่ในอารมณ์เดียวมากเหมือนเคย เมื่อนั้นเนี่ยมันเริ่มมีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องจนกลายเป็นสมาธิสสมาธิก็คือสติที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันสมาสมาธินะไม่ใช่ถ้าเป็นสมาธิที่มันจมแช่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาที่มันมีสติต่อเนื่องสติเล็กๆเกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นจุดเป็นจุดเป็นครั้งเป็นครั้งเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทีละจุดทีละจุดเมื่อมันต่อเนื่องกันก็จะเป็นพลังของสมาธิที่มันเกิดขึ้น ยังมีสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วตรงเนี้เราจะเริ่มได้ชิมได้เห็นล้วที่เขาว่าโลกธรรมแปดเออมันไม่มันไม่กระทบกับเราอย่างไงนินทาสรรเสริญได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศสวดเสื่อมยศอย่างเงี้ยซุกทุกอยเงี้ยเราเริ่มเห็ได้เห็นแล้วว่าเออในทุกนาทีที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเราก็สามารถที่จะรอดพ้นเราก็สามารถที่จะมีอํานาจเหนือ้สิ่งเหล่านั้นได้โลกธรรมแปดนี่ได้ แค่กำลังของสมาธินะกำลังของสมาธิที่ดีแล้วต่อเนื่องเราก็รู้สึกเออเราก็รู้ทันนะในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คําว่ารู้ทันแล้วกลับมารู้สึกได้ไม่ได้หมายถึงว่าใจเราจะไม่ได้มีปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านั้นนะเล่าเราไม่ได้ฝึกให้ให้ใจของเรามั น, มนแข็งกระด้างหรือไม่ได้ฝึกให้ใจของเรามันไม่รับรู้ต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราฝึกเพื่อที่เราได้สังเกตกายใจตัวเองถึงจะมีคนมาดา่าเราถึงจะมีคนมา มามาสร้างสิ่งอะไรต่างๆที่มากระทบกับตัวเราแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้ใช้ก็อาจจะเขวนะใจก็มีปฏิกิริย า, า จ, จะเสียใจจะโกรธอาจจะดีใจโต้อตอบกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อข้างในมันขยับเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเรารู้ทันพอเรารู้ทันแล้วเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นอำนาจที่เราได้สังเกตตัวเองแล้วแล้วก็สังเกตความเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยนะ พอเราไม่ได้กดข่มอะไรสังเกตเป็นธรรมชาติของตัวเองพอเราได้สังเกตธรรมชาติตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกเออรู้สึกมีชีวิตที่มันเหนือโลกกรทํามากขึ้นแค่เป็นอำนาจของสตินะแค่เป็นอำนาจของสติที่ต่อเนื่องจนเป็นสมาธิแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นอำนาจของปัญญานะพอตรงนั้นทันทีที่เราสติหายทันทีที่กำลังของสติมันหายไปเราก็จะทุกข์เหมือนเดิมนะเราก็จะ เจ็บแสบปวดร้อนเหมือนเดิมในสิ่งที่มากระทบต่างๆโลกธรรมก็จะมีอํานาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้ไม่ทันกายมเมื่อเรารู้ไม่ทันใจตัวเองนี่มันขยับเคลื่อนไว้เราก็ต้องฝึกให้มากขึ้นฝึกให้มากขึ้นจนมีกําลังของวิปัสสนาอย่างที่บอกไปตอนแรกมีกําลังของวิปัสสนาที่มันเกิดขึ้นทำให้เราสังเกตเห็นกายสังเกตเห็นใจตัวเองได้สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระจายได้ที่ภาษา ธรรมะหรือในปริมัติเขาเรียกปรมัติเขาเรียกนะฮะจิตกระเจตสิกที่มันแยกออกจากกันเราก็สามารถที่เราจะรู้ตรงนั้นได้เห็นในอาการของจิตกระตัวหนึ่งเจตสิกกระตัวหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มสังเกตตรงนี้ได้มันก็จะเริ่มใ จ, ม, จ, ม, ออ ม, จมันจะเริ่มคลายออกมาใจมันจะเริ่มได้รู้หลักละรู้หลักของการปฏิบัติเหมือนที่หลวงปู่เทียนบอกนะ จริงๆก็ไม่รู้นะว่าที่หลวงปู่เทียนบอกท่านหมายถึงอะไรที่ท่านบอกว่าการต้องเห็นความคิดถึงจะรู้หลักของการปฏิบัติแต่โดยส่วนตัวก็เข้าใจอย่างนั้นเห็นความคิดก็คือเห็นใจที่มันเห็นปฏิกิริยาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจกับใจที่มันรู้อีกดวงหนึ่งที่มันต่างกันมันเป็นคนละจุดกันมันเห็นจิตกระเจและสิกที่มันแยกออกจากกาันพอมันแยกออกจากกาันแล้วก็จะเริ่มรู้หนทางการปฏิบัติะแต่รู้นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเสร็จกิจแล้วนะ ก็แค่รู้ต้นทางงการปฏิบัติตามกำลังที่มันเกิดขึ้นตามกำลังที่มันมีในจุดนั้นจุดนั้นแค่นั้นเองแต่เมื่อกำลังของนิสัยที่ว่านี้มันเสื่อมลงไปก็ต้องปฏิบัติต่อเพิ่มขึ้นอีกแต่ทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรเราจะรู้ว่าเออการปฏิบัติมันคืออะไรแล้วมันจะนำไปส่งผลยังไงตรงนี้คือการฝึกสติที่เราได้มาทากันอยู่เนี่ย มันเป็นการสร้างนิสยัยอย่างที่บอก น, ะนำไปสู่หลายๆอย่างเลยแต่เราต้องวางใจให้ถูกนะวางใจในการฝึกให้ถูกแล้วสำหรับคนที่ฝึกสติเองก็จะด้วยนิสัยภายในมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนิสัยภายในคือนิสัยของใจที่มันคอยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองอยู่หนึ่งเนืองนี่แหละคือสตินิสัยภายนอกก็จะมีสังเกตขึ้นเหมือนกันนิสัยภายนอกเราจะเป็นคนที่ คนอื่นจะมองนะว่าเราเป็นคนที่นิ่งขึ้นเราจะเป็นคนที่เงียบขึ้นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเดี๋ยวบางทีอาจจะดูหน้าบึ้งบึงเฉยเฉยหน้าไม่ค่อยได้ยิ้มแย้มเท่าไหร่แต่จริงจริงเปล่าเรากําลังดูกายดูใจของเราอยู่เราจะเริ่มเป็นคนที่มีนสยัยนิสัยอย่างนี้ขึ้นนิสัยไม่ได้จับผิดโลกนิสัยไม่ได้เอาถูกเอาผิดกับใครไม่ใช่ว่าเออเราคนอื่นจะต้องมาชมเราหรือคนอื่นจะต้องไม่มาชมเรา เราเดินอย่างนี้คนอื่นบอกว่าดีคนอื่นบอกว่าไม่ดีเออแล้วเรารู้สึกหวั่นไหวไปกับสิง่งที่เขาพูดหรืออะไรอย่างนั้นเปล่าเราก็จะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อยากทำหน้าที่ของเราอยากที่จะนิ่งๆสังเกตกายสังเกตใจตัวเองการเคลื่อนไหวการจะช้าลงนะสาหรับคนที่ฝึกแล้วได้นิสัยนี้ใหม่ๆส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนิสัยการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่ว่าก็มั่นใจนะ เป็นการเครื่องไหวที่ช้าจะหยิบจับทำอะไรแล้วก็จะพยายามที่จะทำให้มันช้ามากขึ้นไม่ได้มีเจตนาที่จะช้านะแต่เรารู้ว่าเราทำช้าเพราะอะไรเรารู้ว่าเราทำช้าเพราะมันสามารถตามสติได้ง่ายทำช้าเหมือนคนแก่นะเหมือนคนแก่ที่ทำอะไรจะช้ า, ชาแต่ว่าเป็นการสังเกตใจ ส, สังเกตเกายสังเกตใจถึงเป็นการช้าแบบมั่นคงทำอะไรแบบมีความนุ่มนวลอยู่แต่มันมีความหนักแน่นอยู่ในทีของมัน ทำอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ถึงเวลาเราก็ทําเร็วได้นะเมื่อจําเป็นที่สุเราจะต้องทําอะไรเร็วๆ เ, เมื่อจําเป็นอะไรที่จะต้องรีบเราก็สามารถเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของเรียงแล้วกลายเป็นคนทําเร็วด้วยความมั่นใจตรงนั้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นสมาธิกําลังของสมาธิที่เราดึงมาใช้มันก็จะถูกมาใช้เวลาเราจะทําการทํางานอะไรต่างๆอย่างที่ทุกคนก็คงคิดเห็นะว่าเออกลับไป จะมีการทำการทํางานยังไงบางคนจะมีคําถามนะมาฝึกออกจากความคิดเนี่ยรู้สึกตัวกลับไปมันจะไปใช้ในชีวิตประจํ า, ยาวันได้เหรอกําลังของสติที่มันเกิดขึ้นทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยเวลาไปทํางานที่เราจะต้องการใช้ความคิดหรือต้องการเจอคน น, นะตรงนี้มันเป็นอํานาจของสติที่เกิดขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมันสามารถเวลาเราไปทํางานเนี่ยมันก็จะเอากําลังตรงเนี้ไปทําเป็นโหมดของสมาธิ เอากำลังที่เราฝึกมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะของสมาธิไปใช้ในการทำการทำงานโดยที่เราก็จะไม่ได้ไปจับผิดคนอื่นมากแต่เราก็จะสังเกตกายสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำงานตามกรอบกฎตามเกณฑ์ของโลกตามเกณฑ์ของงานตามโดยที่มีการวัดค่าโดยที่มีการวัดผลอะไรต่างๆได้เราก็จะทาตรงนั้นได้แต่ถึงเวลา เมื่องานมันจบเราก็จะเริ่มรู้จักวางรู้จักหมดหน้าที่แล้วเราก็จะกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราฝึกเหมือนเดิมก็มากลับมาหาสิ่งที่ที่เราสร้างนิสัยมันไว้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะกลายเป็นเหมือนคน2บนะุคลิกเนาะมีบุคลิกที่เออนิ่งๆเย็นๆเฉยๆอยู่กับตัวเองกับ เ, เป็นอีกบุคลิกนึงเป็นบุคลิกที่จะทำงานไม่ได้เหมือน2บุคลิกภายนอกที่เขามีปัญหานะ อย่างเป็นอาการทางจิตที่เรียกว่าไบโพล่าที่มันตีไปตีมาไม่ใช่อยังไงอันนั้นเป็นเป็นสบุคลิกที่ควบคุมไม่ได้เจ้าตัวก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่า2บุคลิกนั้นคืออะไรแต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเป็นคนที่เร็วก็ได้นะทำ อ, อะไรเร็วหนักแน่นหรือบางทีก็มีกฎมีกฎมเกณฑ์แล้วก็พยายามที่สามารถต่อสู้ได้ตามตามเหตุผลตามสมมุติของโลกที่มันเกิดขึ้นก็ได้ หรือถ้าเราตั้งใจที่เราเออจะอยู่ในบุคลิกที่เป็นการฝึกจริงๆเป็นการสร้างนิสัยใหม่จริงๆตรงนั้นเราก็ทำได้เป็น2บุคลิกที่เรามีอำนาจแล้วเราก็เราก็เห็นตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะใช้มันได้อยู่พอเรามีอำนาจที่ใช้มันได้เนี่ยเออเราก็จะเริ่มเห็นผลและเริ่มเห็นความเข้าใจกับการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ตีหกว่าแล้ว สมควรแก่เวลาเดี๋ยววันนี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็คอยสังเกตบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับภายนอกแล้วก็เอาทุกโจทย์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้แล้วก็ในชีวิตข้างหน้าเนี่ยมาเป็นตัวมาเป็นตัวสอนเรามาเป็นตัวที่ทําให้เราดีเห็นกายเห็นใจตัวเองดูว่ากายของกายกระใจเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาโต้ต่ อ, อสิ่งเหล่านั้นยังไงเนาะครับผาพร้อมกัน